ท่านฟังที่เคารพคะท่านฟังในการสัสมม น, นานะคะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมกับพระมาร์ชชาคาวโรเจ้านาป่าพงลำลูกาคลองสิทที่มีพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพโลวันเจ้าวาดและท่านก็ได้ฝากหนังสือมามอบให้กับท่านทั้งหลายคือหนังสือพุ้ทวัจนะจะได้ไปใคล้ครวนศึกษาคำพระศ า, าสดากันทีนี้มาถึงตอนที่เราจะได้ฟังการนําเอาคําพระศาสดามาตอบคําถาม ต่างๆของพวกเรากับพระเพรบุญอภิปุณโญ น, นะคะจากวัดปารดอนยฮโซอุดรธานีซึ่งตอนนี้ทราบว่าท่านก็กำลังต้องดูแลผู้ที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเดือนกันยายนนี้กันอีกแล้วกรับ น, นาเมสการค่ะท่านคะเจรินพรทำไมคอร์สเดือนกันยายนนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยละครอ๋อปกติเราก็จะเริ่มต้นเดือนอยู่เป็นประจาทีนี้ บางทีมันจะมีช่วงจังหวะบางจังหวะที่ต้นเดือนมันไม่ได้ก็จะเล่นไปปลายเดือนบ้างอะไรบ้างเนี่ย น, นะค่ะแต่ละปีมันก็วันหยุดวันอะไรมันก็ต่างๆกันไปค่ะอืมบางทีต้นเดือนก็มีปลายเดือนก็มีค่ะเมื่แอแต่ที่แน่คือมีเดือนทุครั้งทุกๆเดือนค่ะแล้วก็ทราบว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่ก็เต็มพอดีพอดีเพั้งนั้นเลยใช่แปลว่าความสนใจมีเยอะมากสิคะเราก็เป็นที่น่าสนใจก็คือว่ามีแต่พวก อวัยรุ่นวัยรุ่นนี่หมายถึงว่าอายุยังไม่เกินสี่สิบนะเอ่ถึงเกือบครึ่ง 1, 2, 3, หนึ่งเสาะสามในห้าด้วยซ้ำเนอะที่เป็นวัยที่ยังไม่เกินสี่สิบซึ่งก็่คะน่าสนใจว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวัยที่ยังอยู่ในวัยกลางคนอยู่ในมัชชิมวัยเนี่ยยังไม่เข้าสู่วัยปลายเนี่ยก็เริ่มสนใจธรรมากันแล้วนะคนเราค่ ะ, คะพอท่านมาบอกมัชชิมะวัยดิฉันก็เลย จะพูดประโยคที่อยากพูดเมื่อสักครู่นี่ดีไหมคือคิดอยากจะถอยกลับไปอยู่ก่อน40จะได้เป็นวัยรุ่นที่ท่านพูดด้วยเออพระเาบอกงี้คุณยมติวค่ะสมมุติว่าถ้าในช่วงประถมวัยคือตั้งแต่อายุตโตมาเนี่ยนะเปน็นวัยรุ่นมาจนถึงประมาณสัก30เนี่ยปฐมวัยเนี่ย <S <S ถ้าเราประมาทแล้วนะก็พึงคิดว่าเออมาชิมวัยเราจะไม่ประมาททีนี้<ม>ถ้ามาชิมวัยคือตั้งแต่30มสิบนะจนถึง60โดยประมาณและเราก็ประมาทแล้ว ล้เพราะนั้นตั้งแต่เลยหกสิบปนี่ตั้งแต่วัยปัจจิ ม, มวัยเขาเรียกว่าวัยปลายนะ<ช>เขาเรียกปัจจิมาวัยเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทอีกปัจจิมวัยเราก็ไม่ประมาทถ้าสร้างไวไัยใดวัยหนึ่งะเราไม่ประมาท น, นี้ก็ดีมากแล้วพุทธา ว, วาค่ะของสาธุเลยท่านคะพอดีทําให้นึกถึงดิฉันเพิ่งไปเข้าคอร์สเรียนแต่ว่าไม่ใช่เรียนปฏิบัติธรรมเป็นเรียนการเรื่องให้เข้าใจ เรื่องของตลาดเงินตลาดทุน oh. ซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องผู้นี้เท่าไหร่ว่าทำแต่งานแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็เพิ่งเข้าใจว่าการที่จะเริ่มเข้าใจว่าเราจะต้องออมเงินในวัยต้นเป็นประโยชน์มากแล้วก็ออมแบบมีวินัยสม่ำเสมอ mm hmm. ดิฉันก็เกิดคำถามสงสัยในใจว่าถ้าพูดถึงออมตั้งแต่ วัยเด็กแล้วจะเก็บเงินได้มากมีความมั่นคงในบ้านปลายมากกว่าไอเรามารู้ตัวตอนอย่างนี้เขาเรียกมัชชิมวัยใช่ไหมคะมัชชิมะวัยของท่านตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะก็จริงผู้รู้จก็ไม่ได้ลงตัวเลขเอาไว้นะสมมติเราเราคิดว่าคนเราอายุเก้าสิบแล้วก็มาหารสามเราก็จะได้ที่สามสิบถึงหกสิบนี่ช่วงมัชชิมะวัยอ๋อค่ะอ่ะทีฉันเนี่ยมัชชิมะวัยแล้วค่อนข้างปลายด้ซ้ําเราก็ตกใจกลัวว่าจะทําไม่ทัน พอฟังท่านพูดอ่าคล้ายๆที่เขาตอบเลยเขาบอกกคดีก็ไม่เริ่มต้นคือคือตรงเนี้ยเราต้องดูตรงนี้ว่าออย่างอย่างกรณีเขาพูดถึงเงินออมเนี่ยนะค่ะคือเขาพูดถึงนิสัยนิสัยที่ในการเก็บเงินมีวินัยตรงนี้จํานวนเงินเรายกไว้ก่อนเลยนะเช่นเดียวกันตรงเนี้ยที่ที่เราต้องบ่มฟักเนี่ยคือความมีวินยัยในธรรมาวินยัยนะความที่เรารักษาศีลอยู่เป็นปกติความที่เราประพฤติอยู่เป็นรูปแบบอย่างเป็นปกติ ความเป็นปกติตรงนี้ก็ตามความมีนิสัยในการที่จะดําเนินอยู่ในมรรคแปดพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแล้วมันจะได้บุญมากหรือบุญน้อยอันนี้อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยไม่ได้อย่างเรื่องการเงินเนี่ยนะตัวเองไม่ได้เก็บเงินอะไรแต่ว่าพ่อแม่มีสมบัติเยอะอยู่นะหามาให้เราเยอะอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขามีเงินออมอยู่มากแล้วแ ต, ตนน่นที่ว่าในช่วงชีวิตตัวเงินเขาเองที่เขาเก็บเองเนี่ยไม่ได้มีมากมายอะไรเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยมีบุญมากอยู่แล้วนะคือพูดถึงเรื่องของ อินซีที่ตัวเองแก่กล้ามาแล้วเนี่ยมันก็ฝึกได้นะฝึกได้ค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้เราคุยรายการธรรมะเลยใช้ประยุกต์กัน2เรื่องเลยเรื่องออมก็สำคัญเพราะแก่แล้วจะได้ไม่ลาบากนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการสะสมในสิ่งที่จำเป็นมากมากอย่างไรท่านคะอ่าทยมติลองคิดดูอ่าพูดถึงเงินเอาเงินสักก่อน นะัเงินก็ตามทรัพย์สินสมบัติก็ตามที่ที่เรามีเนี่ยพระรเจ้าบอกว่าพระราชาบางทีมายึดไปได้บางทีเราถูกภาษียอดหลังเราไม่รู้ตัวเลยนะรหรือบางทีโจรยังปล้นไปได้คุณเก็บเงินอยู่ดีๆในบ้านเป็นสิบสิบร้านโจรเอาไปนะโอ้เศร้าเลยหรือไฟไหม้โอ้โหหมดเลยนะรหรือว่าญาติลูกที่มันลูกแกะดําำะนะมาล้างผลาญเงินทองพวกนี้หมดไปก็มีนะหรือว่าไฟไหม้บ้านเนี่ย ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคุณโยมติวถ้าไฟไหม้บ้านปุ๊บมันจะไหม้หมดเลยเราต้องรีบเอาออกนะเฟอร์นิเจอร์ไหนคุณเอาออกได้หมอกระทะเอาออก เ, อเงินทองทรัพย์สินสมบัติเอาออกปุ๊บไฟใหม่ไหม้ไฟจะไม่สามารถทําลายไอ้ทรัพย์สินเหล่านั้นได้พ<ม>ระเจ้าเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเหมือนบ้านนะที่มันไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ไฟไหม้อยู่จนมันไหม้หมดถลม่มตุ้มลงมาเนี่ยคือจังหวะที่เราตาย เพระนั้นอะไรที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเราเอาออกค้นออกค้นออกอันนั้นเป็นของเราอะไรที่อยู่ในบ้านไหม่หมดไม่เหลือคืออะไรบ้างทรัพย์สินเงินทองไง<ฆ>นะถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้เก็บไว้จนคุณตายแล้วนะคุณเอาไปไม่ได้เลยนะไหม้หมดไหม้หมดไหม้หมดคือเราเอาไปไม่ได้เลยแต่อันไห น, น<ฆ>ที่เร า, เอาอ อ, า, ราเอาออกด้วยการให้ทานเอาออกด้วยการให้ทานให้คนอื่นให้คนนี้ให้คนนี้ให้เสร็จปุ๊บอันนั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นแหละเป็นของเราติดตามเราไปได้นี่พุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้สําคัญมากเลย นี่น่าสนใจนะคะอะ่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าจึงได้ให้ท่านได้มีโอกาสง่ายๆด้วยการยกธรรมะเอามาใส่ในรายการวิธีไว้ไเพื่อที่บางคนอาจจะมีเหตุผลไม่ค่อยสะดวกก็จะสามารถเข้าถึงได้วันนี้ท่านเกิดความสงสัยมาเอง่ะท่านคะเทวพรสงสัยว่า เราถือว่าศีลเป็นพื้นฐานก็พยายามจะรักษากันทีนี้ยังบอกว่าถ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ถึงจะมีโอกาสไปบวกกับการศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระราตนตรายแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นต้นคือเป็นโซดาบันโซดาบันได้สงสัยตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งเลยค่ะท่านคะคือสงสัยในแง่ปริมาณของการทำผิดศีลนะคะคือสมมติว่าการไปทำลายชีวิตของใคร ถ้าตั้งใจนะคะทําทลายชีวิตหนึ่งกับตั้งใจทําหลายชีวิตน้ําหนักของบาปของอกุศลนียมากกว่ากันหรือไม่คะอ๋อนนี้มากกว่าแน่นอนคือความตั้งใจเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าตั้งใจด้วยถ้าคุณโยมติวบอกว่าตั้งใจเท่ากันการทำวาระนี้คุณตั้งใจฆ่าคนหนึ่งด้วยหรือสัตว์ประเภทหนึ่งด้วยความตั้งใจเท่านี้ ถ้าอีกว่าระหนึ่งคุณก็ตั้งใจด้วยความปริมาณเท่ากันสมมุติมันมีเครื่องวัดได้สมมตินน ะ, ะแต่ปรากฏว่าครั้งแรกนี่สไตลต์แค่ตัวเดียวแต่ครั้งที่สองนี่สไตล์เป็นเบือ่อเช่นเราเอาอยาฆ่ามแมลงฉีดอย่างเงี้ยฉีดปุ๊บให้มดให้ห ม, ดใหหมดตายตัวหนึง่งแต่คุณฉีดปุ๊บมดตายทั้งรังเนี่ยด้วยจิต ท, ที่เท่ากันเนี่ยนะอันนี้เราดูได้ที่การปริมาณของการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นสมมติถ้าคุณเบียดเบียนสัตว์ที่มีปริมาณมากกว่านี้ก็เกิดบาปมากกว่าแน่ ถึงแม้จิตของเราจะเท่ากันก็ตามา อ, อามันมันวัดงี้ด้วยเราเปรียบเทียบกับบุญเอานะเปรียบเทียบกับบุญสมมติเรามีศรัท ธ, ธาพระเจ้าบอกงี้นะว่าองค์ประกอบ6อย่างใช่ไหมที่จะเกิดบุญได้มากเนี่ยคือผู้รับผู้ให้ก่อนผู้ใ ห, ให้คือตัวเราให้เนี่ยสอย่างคือศรัท ธ, ธาก่อนระหว่างและหลังแตถ้าเราให้สองวาระศรัทธาก่อนระหว่างและหลังของเราทั้งสองวาระในเท่ากันเลยแต่ผู้รับวาระแรกนะเป็นคนธรรมดานะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลบุญก็จะได้น้อยกว่า ผู้รับวาระที่สองเป็นอริยะบุคคลขั้นสูงขึ้นไปนะ้บุญที่จะเกิดขึ้นก็ได้มากขึ้นเพรา ะ, ะนั้นก็อยู่ที่ผู้รับด้วยเช่นเดียวกันการฆ่าก็อยู่ที่ว่าให้ผู้ที่เราฆ่าเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนแล้วยิ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่โอ้โหบาปมากนะฆ่าพระอหันอย่างนี้บาปมากถ้าฆ่ามดฆ่าปลวกก็จะบาปยุ่แต่บาปน้อยกว่าตามจํานวนด้วยเหมือนกันนะค่ะก็สามารถไปปรับประยุกต์ได้กับการที่ทําผิดศีลในข้ออื่นๆได้ด้วยไหมคะออใช่ถ้าผู้รับ เพราะนั้นเนี่ยอในกรณีถ้าแหมหมันไส้อยากทําท่าอึดอัดไม่อยากฟังเราพูดปล่อยให้ยืนฟังอยู่อย่างนั้นนานๆอืาหลายๆคน <c oughs> อย่างนี้คนเราเนี่ยมันมีโอกาสจะเบียดเบียนคนอื่นได้ตลอดเวลาะะอ๋อใช่นี่แหละคือทุกโทษในสังสารวัตรคุณโยมติวค่ะเ อ, อถึงแม้ว่าเราบางทีเราไม่ไตั้งใจจะเบียดเบียนเขาแต่ความเบียดเบียนเนี่ยได้เกิดขึ้นทางผ่านทางภาษาอย่างนี้เป็นต้นอย <c oughs> ่างเช่นเราเดินไปตามป่าตามเขาเงี้ยเรามา ก, ก็เคยเดินเดินไป มันก็นคืออย่างเงี้ยเราไม่ได้มีไฟฉายเราก็เดินเดินไปเ อ, อเราก็มีสติรู้ลมหายใจเดินไปปุ๊บหยิบหอยทากตายอย่างเงี้ยอ๋อเราไม่ได้ตั้งใจเบียดเบียนก็เลยนะแต่ความเบียดเบียนได้เกิดขึ้นแล้วค่ะหอยทากอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์โทษในสังสารวัฏแน่นอนทีนี้ดิฉันเคยได้ยินว่าถ้าเรามีเจตนาอถึงจะถือว่าเป็นกรรมใช่ไหมครับพระพุทธองค์ตรัสตรัสยังไงนะครเต็มเต็มพระเชา้ากล่าวถึงว่าเรากล่าวว่าเจตนานั่นคือกรรม กรรมคือเจตนาท่านคะถ้าอย่างนั้นนะคะมาอีกสักข้อหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าไม่เคราะห์ยากอะอย่างเรื่องของการพูดนะคะอาจจะไม่แค่พูดดและแค่อ่รวมไปถึงการพูดสัมมาวาจาคือพูดคำยาพูดส่อเสียดโดยเฉพาะส่อเสียดนะคะเชื่ อ, อพูดให้แตกกันบางเอิญไอคนพูดเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่าเป็นเช่นนั้นแต่ในขณะที่ข้อเท็จจริง ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโกหกหรือการที่พูดทำให้คนเขาเกิดแตกกันหรือเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะต้องประนามต้องโฆษณาให้คนอื่นรู้เชื่อโดย บ, บริสุทธิ์ใจของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นอันนี้บาปไหมคะแต่เราเชื่อน่ ะ, <c oughs> ะเพราะดิฉันเชื่อว่าในโลกนี้มีแบบนี้เยอะนะคะอ่าก็บอกได้อย่างนี้คือ <c oughs> อย่างกฎหมายเนี่นะเอาเอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำสาบปเจ้าก่อนเลยกัเอาแค่กฎหมายสมมุติเราไม่รู้ว่าเขาเราเราไม่อ่านหนังสือไม่ออกเราไม่รู้ว่ากฎหมายว่าฆ่าคนแล้วมันผิดอ่ะแต่บางคนนี้ไม่ดีจริงๆนะมันต้องฆ่าอย่างเงี้ยโจลอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะถามว่าผิดไหมกฎหมายผิดไหมคุณไม่รู้กฎหมายนะเออกฎหมายศาลเขาจะบอกคุณไม่รู้คุณก็ผิดอยู่ดีคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ระบบของการเหมือนกันเลยคุณยมติ๋วคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้เรื่องกรรมไม่ได้ เพราะว่ายังไงมันก็ต้องให้ผลถ้าคุณทำไม่ดีคุณมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคุณเชื่อเรื่องการฆ่าว่าเป็นสิ่งดีหรือพูดเชื่อเรื่องการพูดด่ากันว่ากันว่าเป็นสิ่งดีสำหรับคน น, น, นี้มันก็ผิดอยู่ดีอ่ะมันก็ผิดอยู่ดีแล่นค่ะนะคะในกรณีที่เป็นเช่นนั้นคนที่มีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่เราทาแล้วมันไปนเบียดเบีย น, นคนอื่นเขานะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราจะแก้ไขได้อย่างไรคะเราก็ทําใหม่เลยนะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันเป็นระบบของสังสารวัตเราต้องเราต้องปล่อยวางนะคือเหมายนกับว่าถ้าเรายังไปติดยึดว่าโอ้ฉันทําผิดฉันทำไม่ดีฉันทาแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้นะเราจะต้องแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือว่าอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเราขอโทษขออภัยกันนะในอริยวินัยเนี้ยคำสอนพุทเจ้าจึงมีระบบของการขอขมาคนที่ทําผิดแล้วก็ไปขอขมาคนที่เขาเขาที่เราทำไม่ไม่ถูกกับเข้าไป ก็มาเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําใหม่ต่อไป ก, ก็แค่นั้นเองพ่อพระเจ้าก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ถูกมาก่อนอทําทถูกมาตลอดไม่ใช่แต่ตอนเป็นบริษัทก็ยังทําผิดพลาดอยู่หลายครั้งอยู่เพระองค์ก็กำลังเล่าให้ฟังก็มีท่านคะทีนี้แต่ในเมื่อบางทีอย่างที่บอกแหละเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่จริงไม่จริงเป็นยังไงนะคะวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดที่จะไม่ทําให้เราต้อง เกิดอกุศลขึ้นซึ่งมันจะเป็นพบเป็นชาติเป็นความที่เราจะต้องทนทุกข์ต่อไปเพราะการเกิดเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเนี่ยนะคะ ừ ừ ừ. เราจะต้องทำอย่างไรครับคือเราจะต้องมาฟังคำสองของพรุทธเจ้าน ะ, ค, ะคือเราจะต้องหาผู้ที่รู้เรื่องนี้จริงๆจัง ๆ, งๆนะก็คือในกรณีนี้ก็คือพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เป็นตัวเป็นตนให้เราไปถามแล้วทำไงดี ถ้าคุณไม่มีคุณก็หาครูบาอาจารย์ก็ได้ที่เป็นพระสงฆ์หรือเป็นใครที่สามารถบอกสอนสิ่งที่ผู้เล่าสอนได้หรือถ้าไม่มีคุณก็คารวะก็ได้นะที่ยังไม่ได้โกนผมยังอยู่บ้านเสพกามอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นคนมีศีลมีจารคามีศรัทธามีปัญญานะบุคคลเหล่านี้จะพาเราไปในทางที่ดีๆได้ถ้าเราพบเจอบุคคลพวกนี้อยู่เรื่อยเอามีปัญหารัปรึกษากันแนะถ้าเขาเป็นมิตรดี เ, เขาพยายามจะห้ามเราจากการที่ประมาท นะการกระทําอะไรที่ประมาทเช่นด่าคนชั่วอย่างนี้เป็นการกระทําที่ประมาทคุณไม่รู้เลยว่าเวลาด่าเขาเนี่ย ม, มันผิดพลาดตัวเองแต่ถึงแม้จะเขาจะช่วยก็ตามนะเราด่าคนชั่วเราก็เพิ่มความชั่วในตัวเราเพิ่มอีกดังนั้นถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมีความรู้ความไร้เขาก็จะคอยเตือนเราอย่างนี้เป็นตน้นอย่างรายการเนี้ยเราก็พยายามจะคอยเตือนท่านผู้ฟังนะเท่า <c oughs> ที่ทําได้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าสมมติสมมติอีกนะคะอจารย์เนี่ช่างสมมุติจังเลยคือ <c oughs> สมมุติอีกว่า ไม่รู้จะไปปรึกษาใครละก็จะเนี่ยแหละฟังวิทยุนี้เลยก็เอาคําสุดท้ายของท่านได้ไหมคะเดี๋ยวพอด้วยย้ำอีกครั้งได้ไหมคะท่านก่อนที่จะจบรายการนี้เพื่อความปลอดภัยมากที่สุดท่านควรจะทําตัวกันอย่างไดจะได้ไม่เกิดบาปขึ้นมก็พูดง่ายๆคือให้มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้นะเป็นมรค8ก็ได้แต่พูดถึงหมวดธรรมะเป็นคนก็ได้ที่มีศีลจารัสสตปาัญญาหรือเป็นพระสงฆ์ก็ได้ที่มีศีลมีสมาริปัญญา หรือเอาคำสองผู้ริชาตินี่แหละเป็นกัลยไม่มต้ยนะนะคะัน่นก็รับเอาไปทำก็กแล้วกันแปลว่ า, าบาปที่เราจะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยฟังฟังดูเหมือนกับว่าถ้าไม่มีสติหรือไม่มีความรู้เนี่ยนะคะโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายมากใช่แล้วก็เอาวิชาใช่ไคะที่เหมือนกับว่าไม่รู้อ่ะเข้าใจผิดก็เลยไป กล่าวหาเขาไปว่าเขาไปพูดจาเสียดสีเขาอะไรก็แล้วแต่่อก็มันไม่ดีทั้งนั้นอืมเพราะดิฉันมันจับประเด็นที่ท่านไปบูลพูดว่าถึงแม้เขาจะชั่วไปด่าเขาเราก็ชั่วหรอคะใช่ท่านพุทธทาสพูดไปอย่างนะี้นะสมมุติว่าหมาเห่าเนี่ยเราอย่าเห่าตอบเพราะถ้าเราเห่าตอบก็เพิ่มหมาขึ้นอีกตัวหนึ่ง น, <laughs> นี่อาารพุทธทาสพูดนะพูดเอาไว ฟังแล้วเป็นเขาเรียก อ, อะไรนะเจ็บด้วยนะคะค่ะ <c oughs> แต่ว่าอ่าเราก็นะคะเพื่อตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้เรื่องพวกนี้เรื่องการกากับดูแลควบคุมตัวของเราเอง <c oughs> ต่อให้มีคนรักเราครูบาอาจารย์หู่นพ่อมสอนทุกวันทุกวันเลยแต่เราไม่รับออกไปใช้หรือปล่อยปละละเลยก็เสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์ เสียเวลาของคนที่คอยบอกสอนด้วยวันนี้ก็กล่าวในมรสการขอบพระคุณท่านไพบูรนนะคะขอบพระคุณจริงๆที่ท่านช่วยเมตตาแบ่งเวลาทั้งๆที่พอแบ่งมาปุ๊บท่านก็ไม่ได้พักในการที่จะมาให้ธรรมะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านเพบูรณ์เป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมกันทุกเดือนและขณะนี้กําลังมีอยู่กราบในมัสการขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งคะ่ะเดลปาลท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะ รายการของเราวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปสั้นๆนะคะว่าติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีขึ้นของทุกท่านในทุกๆเช้าตี5ถึงตี5้ครึ่งทาง FM106 แห่งนี้พุทโ์สวัสดีคะ่ะ